ดูลูกดูกกน้ําเป็นที่ถ้าแยกเวทนากับสติเป็นก็หมายความว่าเข้าใจลูกเข้าใจน้ําเห็นรูปเห็นนามอันนี้คือหลักง่ายๆก็อริยสัจ ท, ทั้งหมดนะ่ะโดยที่ไม่ต้องไปเทียบว่าอะไรเป็นอะไรนะในการปริยัติเนี่ยเส ม, มือนเดีวยว่าถ้าเป็นอาหารก็คืออินกิเดียนคือเครื่องแกงแต่ละอย่าง ข, งขงงาิงข่างาตะไคร หรือว่าพริกเขือนเกลือปลาอะไรที่เข้าไปเท ล, ละอย่างละอย่างภาคปริภาคปฏิบัติก็คือนําเอ า, อาเครื่องแกงแล้วเนี้ยมาบดมาตำแล้วก็มาตุ้มแกงภาคปฏิเวทก็คือเราบริโภคแล้วได้รับรสอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเราแต่ลาจะปรุงนะอันนี้ปริยัติปฏิบัติป ฏ, ตปฏิเวทลักษณะนั้นปริยัต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 ปนเปยสับสนขึ้นพราเห็นรูปเป็นเราเพรเห็นรูปเป็นเราปั๊บก็เห็นรูปเนี่ยเห็นเราเห็นรูปเนี่ยเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นกูเป็นมึงน่ะขึ้นมาทันทีเมื่อขึ้นมาทันทีเวลากรรมก็เกิดอวิชาดันหาพรานกรรมก็แทรกตรงนั้นคือหมายความว่าเห็นรูปเป็นเรานั้นหมายความวิชาดันหาประธานกรรมมันปฏิบัติการแล้วหมายความว่าตัวสติสัมยะมาไม่ทัน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 เ, เมื่อความมืดอากาศภายนอกแสงพืิบดินเฟดลงพร้อมที่เขาสู่ลาตรีการไฟที่เขาจุดไว้เป็นอัตโนมัติก็จะเดิ่งทันทีนะฉันใดก็ดีเมื่อเราฝึกฝนปฏิบัติตลอดเวลานั้นหมายความว่าเราเตรียมความพร้อมของสติสมัมปชัญญะจนกระทั่งว่าสติสมัมปชัญญะเนี่ยมันได้กลายเป็นประมัดเหมือนกับไฟ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 ส่วนเราจะแก้ได้แค่ไหนเพียงไรหนึ่งขึ้นอยู่ระดับปรมามัดของเราเข้มข้นแค่ไหนพระโสะดาบันมีระบบปรมามัดอยู่สิบยี่สิบห้าเปเซนตพระสะกิทาคามีระบบอัตมัดห้าสิบเปอร์เซนตพระนาคามีระบบปรมามัดถึงแปดสิบเปอร์เซนตพระอรหันต์ระบบปรมามัดร้อยเปอร์ซนเลยทีนี้เราอยู่ในระดับไหนอันนั้นก็ไปปรับไปเองอันนี้คือโครงสร้างนะ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 พอเห็นลูกน้ำยังไม่ชัดก็ยังมีการเผลออยู่พอไปสู่อารมณ์ปรมาทัตมันก็ยิ่งสับสนใหญ่มันก็วนไปเวียนมาอยู่เนี่ยมันก็เกิดอาต้องใช้เวลาวนไปเวียนมาไม่จบสักทีหลักสูตรอันนี้นะดังนั้นเองก็ อ, อยากจะใหะ้พวกเราทั้งหลายซึ่งมาปฏิบัติเนี่ยไม่ไม่ต้องเสียเวลาแต่เราจะทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแค่ไหน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 หลักของหลวเทียนนะนนหลักปริญตาที่เราสวดไม่คี่ก็คือว่าสัมมามากมีองแปดมีแล้วบ้างว่าสัมมาทิฏฐิแ้าในสัมมาสิปถิเนี่ยก็มี definition หรือมีนิยามเขาอยู่สี่คำว่าหนึ่งรู้รู้จักทุกทุกเขียญานังให้มีความรู้ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องอเห็นให้ชัด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 ไม่เป็นผู้ที่เนคขมัสังคปะคือพยายามออกจากความอยากทั้งหลายนะเนคขมัคิดในเรื่องที่จะออกจากอะไรก็ตามที่มันจะเป็นไปเพื่อความอยากความเดือดร้อนของตนเองและผู้อื่นพยายามหาทางที่จะไม่เข้าไปตรงนั้นคิดในเรื่องเนี้ยคิดที่จะออกจากความคิดจะออกจากความโลภ บ, บ้างนั่นเถอะถ้าว่าไปนะ่ะคิดที่จะออกจากความโลภอะไรที่มันโลภมันอยาก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 พยายามออกจากความรู้สึกโกรธของตัวเองขณะนั้นรู้สึกโกรธแล้วนะรู้สึกขุนแล้วนะรู้สึกไม่ชอบแล้วนะแทนที่จะไปมุ่งลา้ายหมายขวนให้คนที่เราไม่ชอบใช่ไ้ยแต่กลับมาดูไอ้ความออกพยายามที่ อ, ออกจากความรู้สึกที่ไม่ไม่ดีในขณะนั้นนี่เขาเรีย ก, กคิดถูกคิดยังไงก็ได้ขอให้ออกจากความรู้สึกประเภทนี้ก็แล้วกันนี่เขาเรียกว่าสัมมาสังกปะประเภทที 3, ่สามอวิหีสาสังกปะ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 สามสข้อนี่เป็นศีลคือสมมาวาจาสมมากรรมตาและสมมาชีวะเป็นศีลแม้อาศีนี้ตรงกลางแต่พอมาถึงเรื่องของสมาธิก็สมมาวายามะที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าสมมาวายามะที่กล่าววันก่อนก็ท่านในแง่ของปรมัตย์ก็คือเอามาปฏิบัติกับตัวเอง เ, อเช่นระวังไม่ให้ง่วงมันเกิดขึ้นสองเมื่อง่วงมันเกิดขึ้นไปไงต้องตัดทันที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 อะไรต่าที่ร่างกายเราไม่พร้อมถ้าไอ้สิ่งนี้มันคอยยิกย้ำซ้ำเตือนเราอยู่ในจิตเราจะเป็นสมาธิได้ดีไหมไม่ได้ดีเราชื่อสู้ศึก ส, สองด้านแล้วนะสู้ปวดด้วยจิตก็จะคอยคิดเรื่องน้น เ, เรื่องนี้อยู่เลยชักชักยุ่ ง, ง, งละทีเนี้ยแต่ถ้าสมมติเราทำกายทำกายให้สบายสบายจะทำอะไรก็ทำไปทำกายให้สบายเอาเวทนาออกไปแล้วก็พยายามเอาสติมาเคลียจิต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 วิต ก, กะวิจาราวูปสมาใช่ไหมเมื่อวิตกวิจารังนับลงก็เข้าสู่ฌานที่สองคือมีปีติและสุขปิติได้สุขขึ้นมาแล้วก็ไม่ปีติจนล้นเหลือสุขจนไม่ใช่เั้นปีติได้สุขอาการมันคือเบาสบายเดินไปนานวันนี้ได้ลงเบานะทำแล้วไม่เบื่อไม่เมื่อยเบาคิดก็ไม่คิดเบา เ, บ, าบาเดินคล่องไม่ปวดไม่เมื่อยเลยใช่ไหม